ขอจเจริญพรท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็จเจริญพรท่านสาธุชนที่มานั่งรอตรรมภาพตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงตอนนี้9นาฬกานาทีทุกคนก็ยังรอนี่ถ้ามองในแง่ดีเรียกว่าเราบำเพ็ญขันติธรรมเพราะฉะนั้นตรรมภาพเชื่อว่าทุกท่านก็คงมองโลกในแง่ดีหม ว่าพระอาจารย์เปิดให้บำเพ็ญขันติธรรมกันเต็มท <laughs> ี oriented, ่ก็ขอชี้แจงนิดหนึ่งก่อนที <Instagram> ่จะพูดถึงเรื่องพุทิยมรณสติสูตรหรือชื่อในภาคภาษาไทยว่าศบตากับความตายอัตมาภาพรับงานบรรยายที่นี่ล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนนะล่วงหน้าที่ทางยุปพุทธได้นิมนต์ไปทีนี้ต่อมาทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ออกตารางสอนมาปรากฏว่าเวลามันตรงกัน วันนี้ก็เลยต้องแวะไปที่มหาชุลาก่อนเพื่อไปพบนิสิตเขาเปิดมาได้สามอาทิตย์แล้วอาตมาพาดเพิ่งมีเวลาเข้าห้องเรียนเพราะว่ามัวไปเข้าห้องเรียนข้างนอ ก, ห, อนนอกห้องเรียนข้างนอกมันกว้างกว่ า, วามากไปบรรทุกคนทุกแห่งแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปห้องเรียนข้างในในตึกหลังเล็กๆแล้วก็ห้องเรียนแคบๆ แ, แต่ที่นั่นเป็นคุมกลางของนักปราราชบัณฑิต ผู้คนที่มาเรียนพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยต่อไปจะเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นนําทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งนั้นตังนั้นวันนี้แต่ภาพก็จึงแวะไปพบปะนิสิตนักศึกษาแล้วก็มอบหมายงานอันที่น่าเป็นต้นไปถึงจะเริ่มสอนกันอย่างจริงจังเมื่อหมายงานเสร็จแล้วก็จึงมาที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็เป็นเีกห้องเรียนหนึ่งซึ่งมีความสลักสําคัญไม่น้อยไปกว่ากาันเพราะว่าทุกๆกท่าน ก็เป็นหน่วยที่สำคัญมากๆขององค์กรที่ตัวเองสังกัดเพราะฉะนั้นคนทุกคนถ้ามองผ่านสายตาของธรรมะไม่มีใครไม่สำคัญเกิดมานี้สำคัญหมดเลยอัตมาภาพเคยอ่านประวัติของหมอชีวโกมารพัฒหมอชีวโกมารพัฒนนี่หนีพ่อแม่หนีแม่เปเรียนหนังสืออยู่ตั้งเจ็ดปีพูดยังไงว่าเรียนแพทย์จนเซ็งก็ไม่จบ ก็ไปหาครูบอกว่าครูครับเมื่อไหรผมจะจบผมเรียนมานานเหลือเกินดั้งเจ็ดปีคิดถึงบ้านครูก็บอกว่าถ้าเธออยากจบนะเธอไปทำวิจัยในรัศมีประมาณสิบหยอดน่ะยอดหนึ่งสิบหกกิโลเมตรเธอไปวิจัยมาว่ามันมียากชนิดไหนไม้ต้นไหนที่ใช้ใช้ปรุงเป็นยาไม่ได้หรือพืชพันชนิดไหนที่ไม่มีสรรพคุณทางตัวยา เธอไปวิจัยแล้วมาบอกฉันนักศึกษาพานนมชื่อชีวโกมาราพัฒหายไปเป็นเดือนกลับมามือเปล่าเพื่อนๆก็รอสมนำหน้าหว่านดูซิมามือเปล่าไม่เห็นมีอะไรในที่สุดหมอนี่ก็ไม่จบแต่พอไปรายงานอาจารย์าารยครับผมพิสูจน์แล้ววิจัยแล้วตลอดรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยของเรา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 ไม่มีชนิดไหนเลยที่ไม่มีสรรพคุณในทางเป็นตัวอย่างนี่ขนาดพืชพันธุ์นะท่านทั้งหลายทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ชนิดเดียวความข้อนี้ฉันใดเราท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในหอประชุมนี้ก็เช่นเดียวกันคนทุกคนมีคุณค่าในใตัวเองหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าแตามาพาพจะสอนหรือบรรยายที่มหาวิทยาลัยก็ดีบรรยายที่นี่ก็ดี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 ราชศรีไม่ว่าจะจับเสือจับช้างหรือแม้แต่จะจับหนูตัวเล็กๆพละกาลังของราชศรีมีเท่าไหร่ศักยภาพในการจับสัตว์ของราชศรีมีเท่าไหร่จับช้างกับจับหนูใช้ศักยภาพเท่ากันไม่เคยทําอะไรด้วยความย่อหย่อนหรือดูถูกดูหมิ่นเลยดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ห้าค น, สนแสดงเตนศักยภาพหรือสแสดงแก่ชาวเมืองพันคน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 ยังไม่จบก็มีสูตรที่สองเรียกว่าธุติยมรณสติสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการระลึกถึงความตายสูตรที่สองพระพุทธเจ้าทรงแสดงสูตรนี้ที่คิชากาวัฏฐารามในนาทิกขามสาระสําคัญมีว่ายัางไงคือพระพุทธเจ้าตรัสเรียกงพิสูจน์ทั้งหลายมาแล้วก็ทรงสแสดงวิธีเจริญมรณสติปฐมมรณสติสูตรพระพุทธเจ้าเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาชุมนุมกันแล้วถาม ว่าเธอจเจริญมรณสติกันอย่างไรและแต่ละลูกก็เล่าถวายจากนั้นพระองค์ก็สรุปแต่พอมาถึงพระสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ถามใช้วิธีการใหม่ซึ่งเรียกว่าการบรรยายพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนคนเนี่ยจะทรงเลือกสรนใช้วิธีการซึ่งแตกต่างหลากหลายมากๆบางทีก็บรรยายบางทีก็ถามตอบบางทีก็ให้ภิกษุเสวนาหรือปุจฉากันเองแล้วพระองค์ก็สรุป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 หมายความว่าการเจริญโมรณสติตามแนวที่พระพุทธองค์จะทรงแนะนำต่อไปนี้นั้นถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยเป็นบันไดแต่ไปสู่พระนิพพานได้จากนั้นก็ทรงสแสดงสาระสำคัญของการเจริญโมรณสติว่าเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในร่มของพระธรรมวินิยนนี้เพึ่งเจริญโมรณสติทั้งกลางวันกลางคืนโดยให้พิจารณาว่าเหตุปัจจัยที่จะทาให้เราตายมันมีเยอะเหลือเกินอะไรบ้าง พระองค์ตรัสว่าหนึ่งอาจจะถูกงูกัด 2. อ, อาจจะถูกแมงป่องต่อย 3. อาจจะถูกตะขาบกัด 4. อาจจะหกล้มหาอาหารอาจไม่ย่อย 6. นดีอาจกําเริบ7ดเสมหาอาจกําเริบ8ดลมเสียแทงกําเริบ9้าถูกมนุษย์ทำร้าย 10. ถูกอามนุษย์ทำร้ายแล้วก็ 11. 1ให้พิจารณาข้างใน ว่าในาใจของเรานี้ยังมีกิเลสอยู่หรือไม่ที่จะเป็นเหตุให้เมื่อปูปปับตายขึ้นมาเนี่ยไปเกิดในทุกคตินี่ก็ส่งแนะให้มอง ก, งกว้างมองไกลๆมองอย่างหลากหลายแต่ว่านี่เป็นเหตุัจจัจเห็นความตายในสมัยพระพุทธเจ้านะท่านยังพูดถึงงูกัดแรงป่องต่อยตะขาบขบหรือกัดหกล้มอาหารไม่ย่อยดีกรรมเริ่มเสพหากกรรมเริ่มลมเสียแทงกรรมเริ่ม มนุษย์ทำร้ายมนุษย์ทำร้ายเราจะเห็นว่านั่นคือสภาพแวดล้อมสมัยพุทธกาลเหตุแห่งการตายมันยังไม่ซับซ้อนหรอกเพราะอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ป่าก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกงู ก, กัดถูกแมงป่องต่อยถูกตะขาบกัดหรือแมงก็้อหกล้มฉันแล้วอาหารไม่ไหวก็ตายก็มีนี่เรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยในสมัยก่อนมาเหตุปัจจัยในปัจจุบัน อาตมาทราบในอ่น า, อานข่าววันก่อนมีมีนิสิตคนหนึ่งเยาวชนแล้วกันไปร่วมรายการคุณสรยุทธใช่ไหมกลับออกมาขึ้นรถประจำทางพลาดตกรถเมล์ตายอย่างหน้านตรานออกจากบ้านมากลับบ้านไม่ถึงบ้านตายกลางทางกลางกรุงเทพด้วยนี่คือเหตุปัจจัยใน เหตุปัจจัแห่งการตายของชีวิตคนเมืองปัจจุบันนะย้อนไปอีกเด็กคนหนึ่งใช้โทรศพัพท์มือถืออยู่ดีๆโทรศัพท์ระเบิดนีด่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเลยนะเพราะอะไรเนี่ยถือติดหูอยู่เนี่ยหรือใช้คุยทุกวันคุยมากๆท่ามกลางความสุขมันก็นพวกความทพกิงมาด้วยเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งอีกจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ก็มีการเตือนเตือนกันเอาไว้อย่างนั้น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 โ, โหน่ากินจริงๆแต่กินเข้าไปเดี๋ยวตายเมื่อแรงมันยังไม่กินเลยไงนี่มันเยอะขนาดนี้เหตุปัจจัยจะเดินทางขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวเครื่องบินเติบลมอากาศตกตายอีกทุกครั้งที่เดินทางโดยขึ้นเครื่องบินนะ่แต่ม่ข้าก็คิดในใจว่าที่ตัดสินใจขึ้นเนี่ยคือคิดว่าพร้อมจะตายมันต้องห่วงถึงอะไรที่จะมาช่วยหรอกถ้ามันตกก็ตายนะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ตลอดนะคิดดูสิว่าเราอยู่ตรงไหนที่ความตายมันจะไม่มาเบียดเบียนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ดีๆวันหนึ่งหนังสือพิมพ์บาดมือชีวิตมันเปล่าบางยิ่งกว่าแก้วจริงๆนะกระดาษบางๆยังบาดมือเราได้นะเคยคิดไหเ น, ะนี่มันมันแสแดงสัจธรรมเลยนะใครว่าชีวิตมันยิ่งใหญ่อหางการยโสโอหังนี่ ถูหนังสือพิมพ์บาดมือเนี่ยรู้ซึ้งเลยนะกระเทือนถึงในใจเลยคือมันเห็นสัจธรรมว่าโอ้โหแม้แต่สิ่งที่มองเหมือนไม่มีพิษไม่มีภยัยมันก็ทำร้ายเราได้นะใช่ไหมวันก่อนอ่านข่าวเศรษฐีไวยดึกไปนอนกับคู่รักแล้วก็ตายคาโรงแรมม่านรูดดูสิเนี่ยลูกหลานไม่รู้เลยว่าพ่อหายไปไหนรู้ที่เป็นศพทางนันอ่งหนังสือพิมพ์แล้ว นี่ก็ออกไปหาความสุขแต่ปรากฏว่าไปตายนั่งทานข้าวอยู่ดีๆก็ตายได้นะถ้าสำลักเข้าไปอาบน้ำล้มหัวฟาดขอบอ่างน้ำก็ตายได้หรือเหมือนเจือทีนีนสาวอธิษฐานทุเรียนแปดเม็ดคนเดียวอร่อยมากๆทานเสร็จแล้วก็หายใจไม่ออกเลยก็ตาย ตายทางงยํามกลังวงผู้เรียนที่ทางอยู่นั่นแหละนี่คือเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุปัจจัยร่วมสมัยหรือมีเด็กบางคนที่ไปเปิดเว็บไซต์ท่องอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เนี่ยมีแม้กระทั่งแนะนําให้ฆ่าตัวตายด้วยนะคิดดูอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แก้วหน้าทำสมัยแล้วไม่มีอันตรายนะ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 จะมีนิสิตนักศึกษาไปตายกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสอบข้าวมหาวิทยาลัยแล้วสอบไม่ผ่านกันเนี่ต้องจับเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสะพานที่นั่นนะเพราะอะไรเป็นที่ที่นิสิตนักศึกษาสอบตกเลือกที่จะไปกระโดดน้ำตายหรือบางทีมีดารานักร้องตายอย่างที่เกาหลีเนี่ยดาราคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์่าตัวตายก็มีใยรุ่นฆ่าตัวตายตามอีกหลายคน เราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยอย่งการตายนอกจากจะเป็นการตายโดยธรรมชาติแล้วมันยังมีการตายเพราะมีค่านิยมที่ผิดๆ ด, ด้วยคือเห็นคนอื่นข่าตัวตายหรือทําอะไรตายแล้วมันรู้สึกว่ามันเทด่ดีตายตามนอกจากนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดจากการใช้สารเคมีปลอมปนมาในข้าวปลาอาหารพืชผักผลไม้ต่างๆ ต, ต่อมาก็เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดจากการเดินทาง การแข่งขันการทำงานรูปแบบการหาความสุขชนิดแปลกๆของคนเมืองทั้งหลายทำให้คนเรามีอายุสั้นเดี๋ยวนี้อายุสั้นเราจะไม่ถึงเกณฑ์ที่พระพุทธเ จ, เจ้าตั้งเอาไว้ว่ามาตรฐานของคนในยุค ข, ของเราคือร้อยปีมากกว่านั้นก็ไม่น่าจะเกินร้อยี่สิบอย่างพระมหากรสปะนี่แหละ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าชีวิตปราะบางและเหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นแวดล้อมเราเต็มไปหมดอาตมาภาพเคยพูดให้ฟังถึงกวีนิพนธ์บทหนึ่งที่บอกว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันแม้นคนถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันที่เหงือกยันเสืยดตายทานข้าวเสร็จแล้วนั่งจิ้มฟันยังตายได้เลยนะสมัยอาตมาภาพเป็นเนน้อยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นพระ จำวัดเสร็จแล้วไม่ตื่นอีกเลยเพื่อนของอาตามาภาพนอนใต้เตียงหลวงพี่องค์นั้นนอนกันจนถึงเจ็ดโมงเช้าลูกพี่ไม่ตื่นเน้น้อยก็ไม่ตื่นก็นอนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะข้างบนแข็งแล้วเย็นชือดเล ย, ยถึงเวลาจะไปบินพระบาทหลายรืบก็มาเรียกพระรวบนั้น จับเท้าได้ก็ดขันเย่าขันเย่ายังไงไม่มีปฏิกิริยาเลย<ม>เลิกผ้าห่มออกดูปรากฏว่าเย็นชื้นเลยพอเน้นน้อยรู้ว่าหลวงพี่ที่นอนอยู่บนเตียงน่ยตัวเองนอนอยู่ข้างล่างตายเท่านั้นแหละตะลีตะลานออกมาเลยแล้วนอนบนกุฏิหลังใหญ่ไม่ได้อีกเลยเพราะอะไรเพิ่งรู้ว่าตัวเองนอนกับผีมาทั้งคืนกลัว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 เกือบยื้อชีวิตไว้ไม่ได้นะเพราะอะไรเป็นโรคหัวใจใครก็ตามที่ทำงานแล้วมีเจ้านายซึ่งอารมณ์แปรปรวนก็จะรู้ดีว่าสิ่งนี้มันมีผลมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นอนาะตมาภาพประกาศเลยชีวิตนี้จะไม่ขอมีเจ้านายอีนแล้วรู้เลยคือบางทีเรานี่สภาพจิตดีทุกอย่างตื่นเช้ามาอู้สบายพอไปหาเจ้านายเจ้านายอารมณ์เสียเท่านั้นเองมันมีผลต่อเลขาเลยนะใช่ไหม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 บรรยากาศมันอึมครึมเหมือนเมฆมันครึ้มจะตกก็ไม่ตกะ่ะไม่มีใครกล้าเดินผ่านหน้ากุฏิไปฉันก็ไม่มีใครกล้าไปนั่งใกล้ๆอะ่ะหคุณพ่อก็บอกผมเป็นเสือรู้ยังไงก็ไม่มีใครเห็นว่าท่านเป็นเสือหรอกแต่มันน่ากลัวยิ่งกว่าเสือนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเนืน้ที่ทําให้คนเราหัวใจวายนะเจ้านายที่อารมณ์แปรปรวนเนี่ย เพราะฉะนั้นใครเป็นนายขอฝากบอกไว้ด้วยว่าเห็นใจลูกน้องบ้างอารมณ์ของเรากระเทือนถึงอารมณ์ของเขาแล้วอารมณ์ของเขากระเทือนถึงลูกเมียของเขาใช่ไหมลูกเมียของเขาถ้าไปอยู่ในสังคมกระเทือนถึงคนที่อยู่ในสังคมกระเทือนกันหมดตอนเป็นเด็กๆ เ, เคยเรียนหนังสือแล้ววิชานาฏศริลป์เนี่ยมีครูคนหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์ร้ายมากๆเลยสอนั่น นักเรียนทําไม่ได้โกรธครั้งหนึ่งเทปกระเสรเสียครูดึงเทปกระเสรออกมาแล้วปาลงพื้นห้องเรียนด้วยโทสะตาละเอียดเลยตั้งแต่นั้นมานักเรียนทั้งห้องกลัวครูคนนี้ไปตลอดจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เป็นเวลาล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้วน่ะลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยังไม่สนิทใจกับครูเลยเพราะอะไรเห็นพิษสงของทอร์นาโดโลูกนั้นแล้ว <laughs> นี่แหละ อันนี้เป็นเหตุปัจจยแห่งความตายนะคือคนที่มีโทสะจริตมากๆเนี่ยตายง่ายนะเพราะฉุนเฉียวตายทางกายภาพไม่พอตายทางสัมพันธภาพคือใครไม่อย่างอยู่ใกล้หรอกคนโทสะแรงเนะี่ยต่อใครก็ไม่ติดโทสะจริตเนี่ยหลวงพว่อไหนก็ําที่เป็นโทสะแรงแรงเวลาเดินไปหาด้านโยมนะทางมันจะแตกออกเลยนะแยกออกแยกออกแยกออกเหมือนรอา่างพิษ พระอาทิตย์ที่มีแสงแรงๆใช่ไหมเวลาทรงโกรดทีเนี่ยคนเราก็ใต้ร่มไม้หมดเลยนั่นแหละเจ้าน้าที่โกรธแรงๆเขาเรียกว่าพระอาทิตย์กําลังทรงโกรดไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แต่คนที่มีเมตตาเรียเหมือนพระจันทร์พระจันทร์มีแสงนวงใหญหมู่ดาวห้อมล้อมเป็นบริวารเต็มไปหมดอบอุ่นนะพระอาทิตย์มีแสงในตัวเองสาดแสงจ้า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 ทีนี้เมื่อเหตุไปจะเห็นความตายมันมีเยอะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอทั้งหลายเจริญมรณสตินะเพื่ออะไรการเจริญมรณสตินั้นเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อจะได้รู้เท่าทันธรรมดา2รู้เท่าทันธรรมดาแล้วใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท3ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้ว เร่งบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีและ 4. เมื่อถึงเวลาตายไม่หลงตาย 5. เป็นบาดฐานของสมาธิวิปัสสนาชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป 6. เป็นหลักประกันของพบใหม่ว่าคนที่เจริญมรรสสตินั้นถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเกิดในสุขติแน่นอนเกิดในสุขติแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากเกิดในสุขติเจริญมรรสติเอาไว้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 บันไดที่เดีกก้าวไปสู่พระนิพพานก็ได้พระสูตรนี้ก็จบตรงนี้จบตรงนี้ก็สั้นไปอตาตรมภาพจึงขยายความเพิ่มขึ้นโดยนํำมาวิธีการเจริญมรณสติตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมัคมาขยายความพระสูตรสูตรนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในคำพี์วิสุทติมัคท่านจะแนะนําวิธีการเจริญมรณสติเอาไว้ด้วยมีหลายวิธีเหลือเกินแต่มาพจะสรุปให้ฟังว่า พระพุทธโคสจันทร์แนะนำให้เจริญมรณสติยังไง 1. ท่านบอกว่าให้พิจารณาความตายโดยปรากฏเหมือนเพชรขาศ 2. ที่พิจารณาความตายโดยวิบัติจากสมบัติ 3. พิจารณาความตายโดยนํามาเปรียบเทียบ4พิจารณาความตายโดยเป็นกายสาธารณะแก่หมู่นอนหรือพญาติจานวนมาก 5. พิจารณาความตายโดยอายุเป็นของทุกพลภาพ 6. พิจารณาความตายโดยเหตุที่ความตายไม่มีเครื่องหมาย 7. พิจารณาความตายโดยมีกำหนดระยะการคือชีวิตมีระยะเวลาจำกัดและ 8. พิจารณาความตายโดยมองเห็นว่าชีวิตมีขณะเล็กน้อยทีนี้มาดูข้อ1พิจารณาความตายหรือจะเริญมรณสติโดย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 ทุกวันนี้การประหารเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการยิงเอาคนไปยืนที่หลักมัดปรับศูนย์ให้ตรงล็อกเป้าหมายแล้วลั่นไก ย, ยิงต่อมาพัฒนาอีกให้คนนอนอยู่บนเตียงเฉยๆแล้วฉีดยาเข้าไปทำลายระบบประสาททั้งหมดให้วายแล้วก็ตาย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 ในบรรดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความตายนะที่เรากลัวทุกวันนี้คุณโยมทั้งหลายคิดดูว่าคุณโยมกลัวอะไระแต่มาภาพเคยไปทู่ดงไปปกักกดจันเพนจำโอ้โหถ้าเป็นคืนปกตินี่สวยจริงๆแต่พอนอนนั่งอยู่ในกรดเรื่องมองอพระจันทร์นมันเหงาส่งดีนะโอ้โหพระเดพระคุณ จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันก็ไกลไปทั้งหมดเลยวันวิสาขภาูชาน่ะไปปักตร ด, ด้วยความคลื้มอกคลื้มใจเอาวะวันนี้ถวายพระพุทธเจ้าสักวันหนึง่งมันไม่รู้ว่าตัวเองยังกลัวอยู่เนี่ยโอ้โหหรือบาทใบเดียวในกรดบาทนี้อุปชาให้มาเอาเอาบาทนี่แหละเป็นที่พึ่งมันนะกราบบาทเลยนะ นึกถึงหน้าอุบาชาว่าลลกไม่มีใครแล้วเอาบาทนี่แหละครับเป็นที่พึ่งสุดท้ายก็ได้นอนกับบาทนะบาทใบเดียวไม่มีชีวิตได้พึ่งได้นะเราถามว่าเรากลัวอะไรคือในขณะที่มันกลัวนะั้นใจหนึ่งก็กำหนดสมาธิแต่มันก็ไม่นิ่งเพราะอะไรเวลามันสั่นด้วยความกลัวมันไม่ได้สั่นมาจากสมอง มันสั่นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้มันมาจากไหนนะสองใช้เหตุผลเข้าเข้าขมผีไม่มีนะเหตุผลก็เอาไม่อยู่นะมันก็กลัวเอกตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หัวโจทเท้าเลยกลัวนั่นครั้งหนึ่งมองพระจันทร์แล้วอ๊ยบรรดาภาพยนตร์ที่เคยดูนะจันเพนนะเดี๋ยวหมาป่าจะมา หรือไม่งั้นก็แวมไพายมันจะมานั่งมากจมมาไอต้นไม้ต้นประดู่ที่เราเคยเห็นตอนกลางวันแล้วอุยมันร่มดีจังเลยนะพอตอนกลางคืนนะ้ำป่ากรดใต้มนะันเราบอกเครื่องไหนนี้มันมีเทวอารักหรือเปล่าผีจะอยู่ไหมดูมันปรุงสิมันปรุงให้เป็นหมดเลยนะมองไปทางต้นโพนึกว่ามันต้องมีมีเทวดาอยู่ แล้วบางทีมันก็ ค, คล้าย ค, คล้ายเหมือนกับท่านจะหฮมขาวออกมาจากตรงนู้นกว่าจะหลับได้ตีสามอ่ะคิดโดูครั้งหนึ่งก็จะเรียกไปส่วนม่อโน้นเขให้อยู่กุฏิข้างในเหมือนจะรู้ว่าต้องให้ได้เจอของดี่ทางวัดก็จัดให้อยู่ลึกๆเลยนะต้นไม้แต่ละต้นสูงสิบเมตรขึ้นทั้งนั้นอ่ะ จำเพนเจมกระจางกุฏิที่อาตมาพำนักใครเข้ามาถึงเพราะอะไรมีต้นไม้ขนาดสิบคนอกอะใหญ่มากอาจจะไม่ถึงสิบอะ3ามหรือห้าคนอกล้มหักขวางทางเข้าด้วยนะคือถ้าผีมาไม่ต้องวิ่งออกทางนั้นนะมันขวางไว้แล้วเขาก็ให้อยู่ลึกกุดิแต่ละหลังหา่างกันเป็นสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรนะ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 าการว่าคืนนี้เราจะได้เพลียแล้วหลับแล้วลืมไปเลยปรากฏว่าจำว่แล้วมันก็เพลียจริงนะแต่มันก็กลัวกลัวใครเราถามถึเองว่กลัวใครนะกลัวผีท่านพุทธทาสใช่ไหมกลัวครูบาอาจารย์เหรอนั่งสวดมนต์บทสวดตื้นๆอย่างอิติปิโสเนี่ยเชื่อไหมอามารย์สวดไม่จบการณียาเมตตาสวดบทแผ่เมตตานี้สวดไม่จบ ไปนั่งสงสัยตัวเองว่ามันเกิด อ, อะไรขึ้นกับเราทําไมสวดไม่จบความกลัวมันมาจากไหนลุกขึ้นนั่งดูเลยนะนั่งดูความกลัวเดือนศาสต์แสงโลมแมกไม้ไพลโปรงศาสตร์่องลงมากําลังนั่งนิ่งๆไม่รู้ว่าฉันหนีมาจากไหนกระโดดวุ้บผ่านหน้าตา่างขวัญประเจิงเลยกระเจิงทันทีเลยนะสั่นเลยทีนี้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 หลวงพ่บอกว่านึกแค่นี้ก็เสียวแล้วเขาก็กลับไปคืนนั้นเหลือตัวคนเดียวนั่งดูเชิงตะกรไฟมันลุกพึบพลบพวับแหวมบางทีก็วูบบางทีก็ลมมาก็พึบลงไปบางทีก็วูบโผล่ขึ้นไปอยู่คนเดียวในป่าเสียงไฟพึบพบเนี่ยสะเทือนขึ้นไปถึงในหัวจิตหัวใจ ปกตดีราเคยได้ยินไหมไฟมันลุกเนะี่ยเคยได้ยินเสียงมันไหมมันมีเสียงแต่เพราะเราไม่เงียบพอมันเงียบปุ๊บมันผุดผับผับผับผแต่ท่านก็ภาวนาแล้วก็ดูไปจนดึกเดินเที่ยงคืนหลับตาพอหลับตาได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ไพรพราะ ม, มันจะหักจะโค่นมันกึง้งกึงกึ้งกึงกึ้งกึ ง, ก ง, กงเหมือนจะมีคนเดินมาหาท่านพอมาถึงหน้าตึกปุ๊บมันก็กลับไป สักพักนึงมันก็เดินมานี่เหมือนจะมีมือมือใหญ่ๆเนี่ยเหมือนมีคีมยักษ์จะมาปุ้มมาท่านออกไปจากกรอบท่านก็นั่งภาวนารู้เรื่องไปไม่รู้เรื่อง ม, มือเหื อ, อมันป่องปงไหลออกตามเนื้อตามตัวตึ้งตังตึ้งตึ ง, ต ง, ตงสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงระเบิดออกมาจากเชิงตกอกรูอะไรก็ไม่รู้ชิ้นส่วนไหนก็ไม่รู้ระเบิด เสียงไฟบางทีก็วูบขึ้นมาสว่างทั่วป่าชาติแล้วก็ว บ, บลงไปต้นไม้ไร้ใรผมก็เหมือนจะหักจะโคน่นใครก็ไม่รู้ก็เดินเข้ากเดินออกมาต่อหน้ากนั้นก็เดินกลับไปสู้ผีอยู่ดึกดื่นครึ่งคืนสุดท้ายแล้วก็ถามาตัวเองที่กลัวนี้กลัวอะไรไล่ถามตัวเองจนมันเกิดสติพอเกิดสติรู้ว่าที่กลัวนี้กลัวตาย ถามต่อไปว่าแล้วเราไม่ตายหรอก็คนบอกว่าเราก็จะตายเอา้าเราก็จะตายแล้วเรามากลัวทําไมความตายมันอยู่ในตัวไม่ได้อยู่นอกตัวนึกกลัวทําไมพอคิดได้แค่นี้สติขึ้นมาปุ๊บความกลัวมันพังลงเหมือนปร า, าสาททรายมันพังคลืนลงไปสติมาเต็มที่เลย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 แต่เป็นสมัยก่อนนะไปห้องน้ำทีละสามรูปลละอยู่ข้างในอีกสรูปทําอะไรคุยกันให้ฟังห้ามเงียบเด็ดขาดนะกลัวผีมากมากเลยคนะ่ตัมานี่ตัวกลัวเลยนะขอบอกเลยกลัวมากๆไปห้องน้ำทีหนึ่งไปกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม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 เกิดมาคู่กับตายเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตายมันตายอยู่แล้วเพราะอะไรเกิดมันคู่กับตายเหมือนคนที่พบกันแล้วไม่ต้องหอว่ามันจะไม่จากมันจากอยู่แล้วเพราะอะไรมันเป็นของคู่กันพบกับภาคของคู่กันท่านเปลี่ยนไ ม, เม่เห็นง่ายๆท่านบอกว่าความเกิดความตายเป็นคู่กันเช่นตอนเช้าตรู่หลังฝนพรมเนี่ยมีเห็ดโคนงอกออกมาจากดิน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 บางครั้งมันก็นึกหมั่นไส้มองสามีมองภรรยาตัวเองแล้วนึกเบื่อขึ้นมาจะทิ้งดีัหยข้าวประกันดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอมันได้เงินประกันเยอะๆค่อยว่ากันต่างฝ่ายต่างก็คิดอย่างนี้มันจะเกลียดกันนะแต่จะเกลียดมากเกลียดน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะรักันร่าบร่นตลอดรอดฝั่งมีน้อยมากนี่แหละ ความตายมาพร้อมกับความเกิดเพราะมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันยังไม่ตายหรอกตอนนี้อายุสี่สิบชีวิตเพิ่งเริ่มต้นนี่ไปเชื่อฝรั่งปลอบใจตัวเองว่ายังไม่แก่บางคนก็บอกชีวิตผมเริ่มต้นเมื่อเจ็ดสิบอันนี้ก็หนีความจริงนะเจ็ดสนะิบแล้วแก่งักแล้วทําเป็นเชื่อฝรั่งจริงก็หนีไม่ได้หรอกแกะนั่นแหละแก่แล้วเดี๋ยวก็ตาย เนี่ยนอกจากนั้นท่านก็นให้พิจารณาว่าความตายเป็นปลายสุดของชีวิตเช่นเดียวกับการตกเป็นปลายสุดของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าโคจรไปทรงโดดอยู่ตอนเที่ยงวันแต่ไม่ว่าวันไห น, ไหนทุกวันที่พระอาทิตย์ขึ้นวันนั้นต้องตกจริงหรือไม่จริงคุณโยมเคยเห็นไหมพระอาทิตย์ที่ไหนขึ้นแล้วไม่ตกสแกนดิเนเวีย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 ท่านยกตัวอย่างในอดีตพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากครอบครองชมพูทวีปทำทวีปซึ่งปัจจุบันกินเนื้อที่ถึงสประเทศผู้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดในสุดท้ายเหลือมะขามป้อมครึ่งผลในมือเป็นทรัพย์สมบัติขนาดมีครึ่งผลก็ยังแบ่งถวายพระสองฆ์อีกครึ่งสี่และสมบัติที่ลวงเคยมีไปไหนหมดละ่ะ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 แค่เฉียดกลายผ่านนายทหารยืนขาสั่นเลยกลองทัพไหนก็ตามที่รู้ว่านะโปรเลียนเป็นแม่ทัพทหารมืออ่อนเท้าอ่อนหมดไม่กล้า ย, ยกอาวุธขึ้นสู้มีเดชานุภาพแพ้ขึ้นไปบนอากาศลึกลงไปในดินชื่อเสียงขจรกระจายทั่วโลกสุดท้าย พอพระองค์ถูกขับไล่ใส่ทรงออกจากราชบัลลังเขาเอาไปปล่อยไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งอยู่กับนายทหารไม่กี่คนวันหนึ่งในบรนปลายของพระชนม์ชีพพระองค์ทรงนอนแเส้ยอยู่บนเตียงมีหนูวิ่งขึ้นมาแทะเท้าไม่มีแรงแม้จะไล่หนูชันพระวรากายลุกขึ้นมามองดูหนูแทะเท้าของตัวเอง รำพึงว่าแม้แต่หนูมันยังไม่กลัวนโปเรียนคุณโยอมเห็นหรือยังคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคหนึ Moreover, <tr <tr <tr ่งสมัยหนึ่งแค่เดินผ um> ่านกองทัพแทบลมจับสุดท้ายหนูแท้ทายังไม่มีปัญญาจะไล่เลยเห็นสัจธรรมของชีวิตด้วอย่างว่าเราจะวิบัติจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเคยครอบครองเคยเป็นเจ้าของ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 พิจารณาจเจริญมรณสติโดยนำมาเปรียบเทียบตนกับคนอื่นเช่นเปรียบเทียบโดยมองความเป็นผู้มียศใหญ่ในโลกนี้คนที่มียศศักดิ์อัคราฐานยิ่งใหญ่มากๆอย่างพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทั้งหลายซึ่งเราเคยได้ยินชื่อกันมาไม่ว่าจะเป็นนัปโอลียนโบนาปาร์ตก็ดีอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ดีเจงกิสคานก็ดี โศกมหาราชก็ดีสันนิษฐานมหาราชก็ดีบุเรงนองก็ดีพระเจ้าชัยว ร, รมันก็ดีพระเจ้าจากกักรพรรดิพระมหากษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้ถึงพร้อมด้วยอิสรยิยยศอิสริยศัก์แต่สุดท้ายถามว่ามีใครบ้างที่อยู่ค้าฟ้าคนมียศขนาดนี้สุดท้ายก็ได้สมอเร่เหมดตาย ไม่เหลืออะไรให้เห็นเลยตายหมดสองพิจารณาโดยความเป็นผู้มีบุญมากคนมีบุญในโลกนี้เขายกตัวอย่างอย่างอาณาถาบินฑิกามหาเศรษฐีก็ดีนางมิสาขาก็ดีหรือพระราชามหากาัตริย์ที่เกิดมาประสูติมาบนกองเงินกองทองก็ดีหรือแม้แต่คนมีบุญมากๆทุกวันนี้ได้เป็นลูกมหากสัตย์ลูกมหาเศรษฐีลูกของบิลเกสก็ดีลูกของนายกทักษิณชินวัตรก็ดี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 สามพวกหลายคนมารอาสาว่าจะสู้กับพวกเดรัจถิพระมหาโมคคลานะก็รับอาสาพระองค์ถามาเธอจะทํำยังไงพระองค์บอกว่ากระผมจะม้วนแผ่นดินก็ได้จะย่อแผ่นดินก็ได้โลกเนี้จะหยิบมาปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ในมือก็ได้เราลองคิดดูว่าคนมีฤทธิ์มากขนาดนี้สุดท้ายตายนะตายยังไงถูกโจนห้าร้อยล้อมจับแล้วทุบตาย เป็นพระอรหันด้วยนะมีฤทธิ์มากด้วยสุดท้ายตายอย่างน่าอนาถที่สุดถูกโจรล้อมจับแล้วทุบจนตายกระดูกแหลกละเอียดเนี่ยมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ห น, นีพ้นไหมไม่พ้นพระมห า, มาโมคลานะเนี่ยเมื่อรู้ข่าวว่ามีโจรไปล้อมจับครั้งแรกท่านก็หนีเอาทางช่องฟ้าครั้งที่สองหนีเอาทางช่องดานกุญแจช่องลูกกุญแจ ครั้งนี้สามพิจารณาเห็นว่ากรรมมาถึงเราเข้าแล้วจริงไม่หนีนั่งรองโจรอยู่ในกุฏิถูกโจรทุกตายแหลกละเอียดหมดเนี่ยผู้มีฤทธิ์มากสุดท้ายก็ตายหรือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีฤทธิ์มากๆนะ่ใครบ้างจอร์ชบุชผู้พ่อนะ่ปฏิบัติการพายุทะเลสายทันลมอิรัก ถ้วันนี้ก็กำลังถูกโรคอัลไซเมอร์คุกคามอยู่เนะี่ยธิดมากสุดท้ายก็จะไม่เหลือริดอะไรก็จะเป็นคนแก่คนหนึ่งเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานอยู่ดีๆเอ้าไอ้นี่เป็นใครไล่หลานตัวเอออกจากบ้านนะเอ้าจกลงว่านี่มันหลานหรือคนนอกลืมเห็นไม่ว่าริ์ที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ออยังยืนหรอกสุดท้ายก็ตายหมดเมื่อไปเจอริดคือความตาย ต่อไปโดยความเป็นผู้มีปัญญามากผู้มีปัญญามากๆกเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรในทางโลกก็เอาเบิร์ไอน์สไตน์กาลิเลโอนิวตันนักวิทยาศาสตร์ใหญ่ทั้งหลายมาตมะคารทีอาราพินทรนาถกุลนักการเมืองใหญ่ๆที่มีปัญญาระดับโลกสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ตายหมดนะ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 คนดีดีที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังทนทานต่อมอรณะภัยไม่ได้สุดท้ายเพียงพระชนได้แค่แปดสิบพันษาก็ต้องยอมต่อมอรณะภัยเห็นหรือยังว่ามัจจุราชหรือมอรณะภัยนี้ไม่เคยเลือกที่รักไม่เคยมักที่ชังไม่เว้นหน้าอินหน้าพรหม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 โอ้ยถ้าฉันตายแล้ววัดฉันมันจะอยู่ไปได้ยังไงเธอทั้งหลายจะกินยังไงจะอยู่ยังไงบ่นสามวันเจ็ดวันลูกศิษย์คนหนึ่งบรรลุธรรมแล้วมีภูมิปัญญามากวันหนึ่งเอาข้าว อ, อน้ําไปประเคณอาจารย์อาจารย์กบ็บ่นเอ้ยเธอทั้งหลายถ้าสิ้นฉันแล้วดีจะอยู่ยังไงลูกศิษย์คนนี้บอกว่า ร, รีบรีบตายเถอะตาแก่ไม่ต้องห่วงหรอกคนเขาอยู่กันมากี่ชั่วรุ่นแล้วละ ลูกศิษย์พูดเท่านี้อาจารย์ช็อกเลยตายนี่ไม่ปล่อยไม่วางเสียทีนึกว่าตัวเองเก่งที่สุดอยู่คนเดียวคนที่คิดอย่างนี้หลงตัวเองมากๆแล้วปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นเป็นโรคหัวใจได้นะเพราะอะไรโอ้ยประเทศไทยถ้าขาดเสาหลักอย่างชั้นสักคนหนึ่งมันจะเป็นยังไงเนาะคิดอย่างนี้อันนี้คิดอย่างนี้เรียกว่าคิดแบบไม่เข้าใจโลกเหมือนไกลตัวหนึ่ง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 เป็นวัตจาจักไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่มันมาได้เท่าไหร่ล่ะคนเก่งที่สุดโลกนี้เคยมีตายไปแล้วแต่แล้วคนเก่งก็ไม่ได้มีคนเดียวต้องจะมีคนสืบทอดตลอดครั้งหนึ่งมีคนไปถามหลวงพ่อเรียนจิตตสุโพพ่อครับถ้าหลวงพ่อตายนะการปฏิบัติกรรมฐ า, านตามแนวเคลื่อนไหวใครจะมาสืบต่อหลวงพ่อก็บอกว่าเธอไม่ต้องเปห่วงหรอกไฟเนี่ยมันมีอยู่คู่โลก ถ้ามันดับไปแล้วก็จะมีคนคนพบแล้วก็จุดไฟขึ้นอีกเสมอเสมอจริงหรือไม่จริงอย่าไปกลัวโลกุณตรธรรมจะหายนะของมันมีอยู่แล้วอาจารย์ตายไปนคนหนึ่งไม่ใช่ไหมวอมว่าท่านเอานิพพานไปด้วยครั้งหนึ่งที่พระมหมาโมคคลานะกับพระสารรบทนิพพานทิสุสงรอห่มร้องไห้ด้วยความเศร้าเสียใจพระพุทธองค์เรียกมาเธอทั้งหลายฉันถามหน่อย สาเรบุตรโมฆานลานะนิพพานไปแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยเอามรคนิพพานไปด้วยไหมพุทธสด ต, ตอบว่าไม่ขอรับก็ในเมื่อเธอทั้งสองไม่ได้เอามรคนิพพานไปด้วยท่านทั้งหลายจะเศร้าโศกไปใหญ่มร ก, ก็มีอยู่ผลก็มีอยู่นิพพานก็มีอยู่เธอเคารพนับถืออะไรในตัวสองท่านนั้นเธอก็ฝึกเอาซิสองท่านนั้นรู้ถึงมรคนิพพานจึงเป็นยอดคนใช่ไหมใช่ขอรับ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 อย่าคิดว่ามันมีสิ่งมีชีวิตคือเราเท่านั้นนะในตัวเนี่มันมีสิ่งมีชีวิตอีกไม่รู้กี่สายพันธุ์มาอาศัยอยู่ยั่วเยี่ยไปหมดเลยแล้วอย่านิกว่ามันไม่มีประโยชน์นะพะยาธิบางอย่างมันอยู่ข้างในเนี่ยมันช่วยพรวนดินให้เรานะช่วยย่อยอาหารช่วยทําให้ระบบต่างๆทํางานได้ดีว่ากันว่าถ้าเราพรยาธออกจากตัวมนุษย์ทุกชนิดเลยเน่ะร่างกายจะขาดส ม, มดุล น, นะ จริงหรือไม่จริงแปลกนะของทุกอย่างในโลกนี่เขาทำมาเนี่ยมันมีความหมายหมดทิ้งไม่ได้นะไส้เดือนเนี่ยเขาเขาสร้างขึ้นมาทำไหมบางคนบอกว่ามันทำขึ้นมาทำไหมไส้เดือนไม่มีประโยชน์เลยนี่มองจากมุมของคนเรามองให้ดีๆนะไส้เดือนมันกำลังพรวดดินให้โลกอยู่นะ หญ้าดอกชนิดมันทําขึ้นมาทําไมควายมันก็ไม่กินมันกําลังปกห่มหน้าดินอยู่ใช่ไนหะมนกกระจิบกระจอกแล้วร้องทั้งวันมันร้องทําไมวันไหนเราเหงาเราจะเห็นคุณค่าของมันคนไม่เปลียเสียขาเกิดขึ้นมาทําไมไม่เห็นมีประโยชน์ตายก็ไม่ตายช่วยตัวเองก็ไม่ได้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 ในโลกเนี่ยทุกอย่างถ้ามองด้วยสายตาของคนที่มีธรรมะทิ้งไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเป็นครูทั้งหมดบางคนไปนั่งปฏิบัติสมาธิโปรดกิเลตทำไมมันนงอยากจะเอาไมดไปพิ้งมันเลยนี่วอนเนี่ยโกรธความง่วงแต่ถ้าเรามีสตินะมองดีๆไอ้ตัวความง่วงนี้เป็นครูเลยนะ บางคนไป น, นั่งเกิดเวทนาโกรธมา ก, ม, ากมันอะไรกันนักกันหนาเจ้าเวทนาเนี่ยหารู้ไม่ว่านั่นอาจารย์ใหญ่นะตัวเวทนาเนี่ยปฏิบัติสมาธิแล้วเจอเวทนาและะ้วแสดงพังมาถูกทางบางคนเจอเวทนาปุ๊บลุกเลยนี่จะไม่ได้อะไรทุกอย่างนี้เป็นครูเราทั้งหมดประมาจางของจี้บอก ว, ว่าถ้ามีคนเดินผ่านชั้นสองคน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 ลูกศิษย์อาเจียนคาเตียงเลยนักเรียนพยาบาลแล้วถามคนไข้ว่าเป็นกินอะไรมาเขาบอกว่ากินแหนมเอามันเล่าถวายพระอาจารย์พระอาจารย์เลยเลิกคบแหนมเลยไม่เอาแล้วแหนมดิบกลัวดูสิออกมาทั้งปากเลยนะมันไม่มีทางออกแล้วมันเยอะจริงๆ เธอบอกว่าไม่เคยเห็นมากขนาดนี้มาก่อนบอกว่าทานข้าวไม่ได้เป็นอาทิตย์มาแม่ของเป็นเส้นไม่ต้องเอามาให้ผ่าไม่ลงมันอยู่ไหนมันอยู่ในตัวเราเนี่ยขอให้คิดว่าเออเนาะเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนเราตายเนี่ยนอกจากอุบัติเหตุข้าวปลาอาหารยาพิษแล้วมันก็ยังมีเพื่อนของเราซึ่งมาแอบเล่นซ่อนหาอยู่ในลาไส้นี่ในร่างกายเนี่ย พวกนี้นะมันจะเล่นงานเราได้เหมือนกันตัวจี้ตัวตื่นอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นสมองเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อ น, นั้นเหมือนกันพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอู้ยประมาทไม่ได้นะถึงแม้เราไม่เจ็บไม่ไข้แต่ปฏิเสธได้ไหมว่าข้างในไม่มีพยาธินี่คิดอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่ประมาทดูนางงามจักรวาลเดินชี้ช้อโอ้โหจะกวรวดที่อินแทรน้งท้องทาเนไม่มีพยาธิทั้งหมดเลย ข้างในพิจารณาดูเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันหมดนะเอออย่างนี้แล้วก็ไม่สนเหมือนกันล่ะนี่แหละเราก็จะได้เห็นว่าคนทุกคน่ะโดยไม่มีข้อยกเว้นมีเหตุปัจจัยแห่งความตายซ่อนอยู่ข้าไในเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่ายิงพยองอย่าหางการต่อไปพิจารณาโดยอายุเป็นของทุกพลภาพทุกคนลภาพก็คือไม่แข็งแรงไม่ยั่งยืน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 เอาสัวันหนึ่งอาป่ากินลงด้วยมีลมเป็นภกษาเนี่ยเอาสิจะตายไหมดูนั่งอยู่เฉยเฉยเอาก้นหายใจอยู่ในเอรอยิยาบทไม่หายใจโดยสิบสิบนาทีใครไม่ต้องทําอะไรอะก็ตายของมันเองเรียกว่ามันชัดดาวตัวเองตายเหมือนกันนี่เรียกว่าเราค้างอยู่ในเอรอยิยาบทไหนนานๆมันก็ตายได้ ต่อไปชีวิตเนื่องด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิคืออะไรความหนาวความร้อนความเย็นในร่างกายของเราร้อนมากเกินไปเนี่ยผิดสําแดงจจากอะไรก็ตามร้อนถึงที่สุดก็ตายเย็นจับขั้วหัวใจก็ช็อกตายแข็งตาย แล้วถึงที่สุดก็ตายอาจารมาภาพเคยไปที่ออสเตรเลียเขาพาไปดูนกเพนกวินมันอยู่ในทะเลมันจะไปหากินสามวันเจ็ดวันตอนเย็นมันจะกลับน่ารักมากมากตอนกลับมันจะโล้ขึ้นมามาการเป็นฟูเลยนะ่ารักไสมาเชียท้องป่องมาบางตัวก็ในท้องเต็มไปด้วยปลาแล้วนะคาปลาคาปากมาฝากลูกด้วย ขึ้นฝังก็จะเดินตาะแตะตะแตะเตะแตะเหมือนเป็นเดินน่ารักมากลแล้วก็ชูคอเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแต่ว่าตรงท่าเลที่เราไปดูนั้นหนาวมากมากอุณหภูมิถึงขั้นลบเลยนะต้องเอาผ้าห่มไปเราก็ไม่เชื่อจะอะไรกันนักกันนะหนาแต่จีวอนเรานี่แหละแน่นอนที่สุด <c oughs> ไปถึงนบมันจะมาตอนหนึ่งท่ม ห้าโมงบอมงมันยังไม่หนาวพอหนึ่งทุ่มตอนนั้นเองคิดดูว่ามันหนาวขนาดไหนขนาดนกมันอยู่กลางทะเลมันยังกลับเข้าฝั่งนะเพราะมันหนาวคนมันจะได้เหลืออะไรปรากฏว่าคนที่เขาเอาผ้าหม่มไปเขาก็ได้เห็นคุณค่าของผ้าหม่มเราอวดดีเราก็ได้เห็นคุณค่าข อ, ของความอวดดีไม่เป็นอันดวนกหรอกเพราะอะไรหนาวจับขั้วหัวใจลรายืนที่ไหนก็นฟัน คนที่เขาเอาอผ้าห่มไปเขาคลุมโปงแล้วก็ ย, ยืนดูเน๊ะมีความสุขเราต้องเงียบเงียบเพราะอะไรพระ อ, อวดเก่งไปแล้วต้องยอมรับสภาพมีเยอะเลยพระเยอะเลยไม่เอาอผ้าห่มไปเพราะอะไรกลัวว่าไม่สำรวมใช่ไหมมันดุริางสุดท้ายหลวงพ่อหลวงพี่สิบกว่ารูปยืนสัน่นเดือดร้กนตกน้ำนี่หนาวมากมากน่ะอยู่ที่นั่นสักชั่วโมงหนึ่งแข็งแข็งแล้วก็ตายละ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 เพราะฉะนั้นดินน้ำลมไฟแตกสามคัคคีกันเมื่อไหรคนก็ตายกันง่ายๆทื่อๆเลยนาะเดินอยู่ก็ตายได้นั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้เพราะฉะนั้นธาตุสีเนี่ยต้องสามคัคคีกันไว้ใครก็ตามที่ธาตุสีไม่สามคัคคีกันแตกคอกันเมื่อไรตายเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าเราปวดฟันปวดมากๆเลยด้วยความรำคาญดึงทิ้งเลยไม่ไปหาหมอ เกิดอะไรขึ้นถ้าทําไม่ถูกนะประสาทฟันเสียและสะเทือนถึงไหนประสาทสมองประสาทสมองเสียแล้วสะเทือนถึงไหนเป็นลำบากพาดกันง่ายๆเลนี่อันตรายมากๆใครไม่เคยปวดฟันนขอเจริญพรให้ลองเคยดูสักครั้งหนึ่งมันจะชาไปขึ้นซีกเลยนะปวดที่สุดในโลกแต่ถ้าถอนแล้วมีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยฟันคืออะไร ดินใช่ไหมส่วนที่เป็นดิงส่วนที่แข่งข็งทั้งหมดน่ะเป็นดิงส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมดก็เป็นน้ําส่วนที่เป็นความร้อนเป็นไฟเผาผ่านกดในไรก็เพราะอาหารก็เป็นความร้อนเป็นไฟลมก็คือลมหายใจข้าวออกลมขึ้นเรื่องสูงลมลงเรื่องตา่าลมที่อยู่ในร่างกายที่ผันหวนผ่านตามระบบอวัยวะต่างๆนี่ก็คือลมทั้งหมดในตัวเราลองขาดลมดูสิ เนี่ยกิดจมกไว้สามนาทีลองให้มันขานลมเราจะเห็นว่าถ้าขานลมแล้วจะเป็นยังไงร้รายยิ่งกว่าขาดอื่นทุกชนิดนะธาตุลมเนี่ยตายกันง่ายๆอันนี้เราจะเห็นว่าชีวิตขึ้นอยู่กับธาตุสี่เพราะฉะนั้นต้องดูแลธาตุสี่ของเราให้ดีธาตุสี่แปรปรวนเมื่อไหร่เราก็แปรปรวนเมื่อ น, นั้นเหมือนกันต่อไปชีวิตเรื่องอยู่ด้วยอาหารอาหารที่เรารับประทานเข้าไป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 ทานมากๆเดี๋ยวอ้วนตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยฟ้องกันนั่นเนิน่นเลยเราะอะไรเพราะว่าอาหารขยะทําให้คนอ้วนก็ทําไมมันจะไม่อ้วนละ่ะทางแป้งทานแป้งเสร็จละทานน้าอัดลมทานน้าอับลมเสร็จมันก็ระบายก็ทําให้ต้องการหิวอีกอาเข้าไปอีกแล้วไก่เนื้อไก่มไม่ใช่เนื้อไก่ธรรมชาติมันเป็นเนื้อแป้งเพราะอะไรเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงไก่มันก็นึง่งแบบกลางวัน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 ถ้าเราไม่เตือนกันเอาไว้ต่อไปเด็กไทยในอนาคตจะได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่ถูกต้องตามหนาโคชนาการเมื่อสารอาหารไม่ดีเนี่ยสติปัญญามันจะดีได้ยังไงใช่ไหมร่างกายมันจะแข็งแรงได้ยังไงและตายผ่อนสงด้วยจายแพงกว่าด้วยอันนี้คือวิกฤตการณ์ซึ่งตามมาโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นต่อไปชีวิต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 เลยเป็นคนกล้ากล้ากลัวเพราะฉะนั้นทําอะไรระวังที่สุดเพราะถ้าไม่ถึงร้อยสิบปีเดี๋ยวหน้าแตกอีกนี่ทุกโดยไม่จําเป็นต้องไปทุกนะั้ะไปหามาเองไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีเคยอ่านหลวงวิจิตวัฒการเขียนหนังสือเอาไว้บอกว่าจะอยู่ให้ถึงน่าจะเป็นร้อยปีนะเขียนหนังสือไว้กําลังความคิดกําลังสมองอะไรต่างๆนานา ปรากฏว่าท่านเคยอยู่ได้ไม่กี่ปีเองแค่ห้าสิบต้นๆใช่ไหมประมาณเนี้ยก็ไม่ถึงร้อยนะนี่ขนาดประกาศไว้ในข้อเขียนเลยนะว่าถ้าฝึกตามที่ตําราที่ท่านเขียนแลยนะี่จะอยู่เป็นร้อยปีคนเขียนตําราไปเมื่ออายุห้าสิบกว่านี่แหละชีวิตมันไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้อย่ามากระมาเกณฑอุย้ยลูกเต็มทีนะ่แล้วนะแม่ยังไม่ตายหรอกเพราะฉะนั้นลูกเรียนเต็มที่เลยแม่ต้องห่วงแม่ วางหูโดรศัพท์ปุ๊บแม่หัวใจวายก็มีนี่ใครจะกาเกณฑ์ได้ว่าฉันจะอยู่กี่ปีกีป่ปีมันไม่มีนม่มิดคนนี่คุยกันอยู่ลหลัด่ดเห็นหน้ากันอยู่ลหลัด่ดใครจะบอกว่ามันจะไม่ตายเกาบอกว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยใช่ไหมบ่ายยังรุ่นเริงกายเย็นดับชีพนาวดูสิเย็นอยู่หยอกลูกด้วยขํามมวยอาสัน ไม่เหลืออะไรเลยมันต้องตายอยู่ดีนี่แหละความตายพระบูไม่ได้ว่าฉันจะอยู่กี่ปีเท่านั้นเท่านี้ต่อไปไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไรโรคที่จะตายก็ไม่สามารถเลือกได้บางคนดูข้างนอกใสไม่มีอะไรทุกอย่างเฟอร์เฟคสมบูรณ์เอา้าข้างในดันเป็นมะเร็งอีกไม่น่าจะเป็นก็เป็นบางคนอยู่กลางทุ่งกลางนาะอดอดอยากอยาก ไม่ป่วยนะบางคนอยู่ดูแลกันอย่างดีเป็นคุณหนูแน่สุขภาพไม่ดีเนี่ยโรคเนี่ยมันเคยเลือกคนไหมไม่เลือกเลยนะไม่ใช่บอกว่าอู้เราเกินในดในรั้วในวังเกิดมาเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายรับรองจะไม่มีปัญหาเรื่องโรคขาดอาหารโรคกระเพาะลำไส้มีนี่ปรากฏว่าป่วยกันเลยเขาบอกว่าเกลียดอันไหนก็เจอนั้นแหละอาจจะไม่าอกในเกลียด ขอโทษโดยส่วนตัวนะไม่ใช่เกลียดในที่นี้นะอแต่มาแพร่เกลียบุรีเพราะอะไรยอมพ่อแตมาสุบุรี่ยอมแม่เสียชีวิตเพราะบุหรีถึงลมป่งของเกลียดมากๆแต่ไม่ได้เกลียดคนสุบุหรี่นะเกลียบุหรี่วันหนึ่งไปนิพพานากรรมฐานที่วัดธรรมวันสองเดือนได้อยู่ในกุฏิกับหลวงพี่ที่เป็นนักสุบุรีสองเดือนโอ้ กลับมาวัดด้วยสภาพง่อมพระรามเลยไม่สูบก็เหมือนสูบติดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าดึกก็บอกว่าเกลียดอะไรจะเจออันนั้นเนี่ยนะแล้วเราก็ได้โรคมาสิช่วงนั้นอนะัตมาภาพโรคทางเดินหายใจเนี่ยลมหายใจไม่ดีเลยกว่าจะหายอัตมาภาพนึกว่าเป็นภูมิแพ้แล้วนะเชื่อไหมดึกๆมาหายใจไม่ค่อยออกติดขัดเพราะว่าอะไรไปไปสูดบุหรี่เข้ามา แล้วไอแล้วจามแล้วมีเสมหะตลอดเลยนะเป็นเวลาสองเดือนที่อยู่กับหลวงพี่ที่ท่านสุโขทัยแต่อมากลับมาวัดได้เรียกว่าโอ้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าที่ไปอยู่วัดธรรมภวันกลับมาไม่แข็งแรต่อมาย้ายมาอยู่กรุงเทพพอมาอยู่วัดเบญจมัประพิษอากาศปโปรง่งห้องหับสะอาดสะอ้านปโปรง่งใสมีบริเวณกว้างขวางให้เดินให้อะไรปรากฏว่าโรคนี้หายไปโดยอัตโนมัติ อันนี้ก็คือเราได้สภาพแวดล้อมช่วยดังนั้นพระผู้ใหญ่หละ่ะท่านที่ป่วยอย่างพระพรหมกุณาพรหรือท่านพระธรรมปีดกเนี่ยท่านไม่ก็อยู่ที่วัดนะตอนนี้ก็ไปพักที่สุพรรณหรือไม่งั้นก็ไปอยู่ที่ชาเชิงเซาอยู่ท่ามกลางหุเขาไปอยู่สุพรรณก็ไปอยู่ริมสายนะ้ําเพื่ออะไรเพื่อให้อากาศช่วยบําบัดด้วยดังนั้นท่านทั้งหลายที่สูงอายุก็ฟังเอาไว้นะว่าโรคบางโรคนั้นรักษาด้วยยาไม่ได้ แต่รักษาได้ด้วยการอยู่ทํกากลางสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนที่อาตมาเคยเป็นนี่แหละนึ่องว่าจึเป็นภูมิแพ้ไปแล้วทุกวันนี้หายหมดเลยเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นดังนั้นถ้ามันรักษาหมดยาไปเป็นกรกำไม่หายนะลองเปลี่ยนที่อยู่ที่กินเปลี่ยนที่พักดูมีพระรูปหนึ่งอายุมากแล้วป่วยเป็นโรคหัวใจมาบวชที่วัดอัตนาภาพปรากฏว่าตอนนี้อยู่มาแล้วห้าปีโรคหัวใจหาย เพราะอะไรธรรมภาพเชื่อว่าการที่อยู่ในร่มพระธรรมเนี่ยมันไม่ไม่มีการประทะปัญหามันน้อยศึกษาพระธรรมวินยัยนีปติเบิกบานอินอกอินใจได้เจริญสมายที่ภาวนาความเครียดต่างๆมันลดลงไปนะแล้วมันในที่สุดมันหายจนหมอเขาสงสัยหรือหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ยหมอบอกว่าสามปีไม่เหลืออยู่มาได้เป็นสิบปีก็เคยมีมาแล้วธรรมภาพเคยเจอมาด้วย เพราะอะไรก็เพราะว่าพอป่วยปุ๊บเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยอองไปอยู่กับธรรมชาติเลยคือเราอยู่ในเมืองหลวงนี่มันเต็มไปด้วยความกังวลคุณยมตื่นเช้าขึ้นมาพลิกหนังสือพิมพ์อ่านพ่อคมขืนลูกใจมันไปแล้วครึ่งหนึ่งหดหูใช่ไหมเปิดทีวีดูเอาอีกแล้วมีแต่ข่าวด่าทอทะเลาะ ก, กันเมืองไทยหมดหวังใจหดหูอีกแล้วเนี่ยเราอยู่ในสังคมเมืองมันมีเหตุให้หดหูเยอะมากจริงๆ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 สารพิษต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาทางการหายใจจากสารกเนื่วนธรรมดามันมาจากสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่แหละบางทีได้เห็นเพื่อนบ้านทะเลาะเบาแว่งกันเราไปได้ยินได้ฟังเราไปรู้เก็บมาคิดทุกอีกนี่ก็เป็นสารพิษนะคือสารข่าวสารต่างๆที่มันมาแล้วมันมีพิษเจือปนเข้ามาเรารับเข้ามาโดยที่ขาสติทุกข์ทุกข์กแก็ป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันว่า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 บางคนเป็นคนใหญ่คนโตตั้งใจว่าตอนฉันตายต้องตายอย่างสวยงามปรากฏว่าไปตายอาต่างบ้านต่างเมืองพระเทเระหลายรูปในเมืองไทยไปตายที่พมา่าไปตายที่อินเดียในขณะที่กําลังไปนมัสการสถานที่สําคัญทางศาสนาอาจารย์าารมาพอมอ่านประวัติของหลวงพ่อพระพรมหมคุณาภรณ์องค์เดิมหรือเปล่าที่อยู่วัดยา น, นาวาพระพรหมโมลีนะหลวงพ่อพระพรหมโมลี อ่ประวัติแล้สังเวชมากๆเลยไปไหว้พระที่พมา่าพร้อมกับญาตโยมทั้งหลายพอไปถึงแล้วคณะทัวร์ก็ตั้งใจว่าจะไปกราบพระก่อนหลวงพ่อเหนื่อยขอขึ้นไปพักข้างบนพรุ่งนี้ค่อยไปกราบพระปรากฏว่าท่านขอขึ้นไปพักข้างบนก็หายใจติดๆขาดลูกสิษก็เกรงว่าคงไม่เป็นอะไรมากก็เป็นอาการของคนแก่ก็พากันไปไหว้พระ กลับมาอีกทีหนึ่งหลวงพ่อเสียแล้วคนที่เป็นผู้นําทัวร์หรือทัวร์เรียนเดอร์เขียนบันทึกเอาไว้อัตมาภาพอ่านแล้ว เ, เศร้าสลดเลยคือเธ อ, อรู้สึกเหมือนว่าพาหลวงพ่อมาตายทัวค้าหน้านั้นเน่ะคนเลิกไปครึ้งหนึ่งอัตนาภาพถามโยมทั้งหลายว่าถ้าเราไปกับพระผู้ใหญ่แล้วพระผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าคณะทัวร์มรณภาพในต่างแดน ยังจะมีแก่ใจเที่ยวอยู่ไหมหมดเลยนะความสนุกทั้งหลายหมดเลยบางทีรู้สึกเป็นตรา บ, บาปกับชีวิตได้สัมมํา่อยพาหลวงพ่อมาทายต่างแดนจะเอาศพกลับประเทศก็ไม่ได้กว่าจะต่อสู้เอาสมของครื่องเครื่องบินได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์อยู่เมืองไทยท่านเป็นพระมหาเถระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องมากราบเอาบวงหรีดมาถวายไปตายต่างบ้านต่างเมือง แค่จะหาลงใส่ศพก็ลำํำบากจะเอาศพขึ้นเครื่องดินก็ลำํำบากเต็มไปด้วยความติดขัดดูสิหลวงพ่อของเรานี่แหละคุณยองคิดดูสิว่าเราจะตายที่ไหนใครจะบอกลูหนะ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาจะตายขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเคยจัดกับภิกษุครั้งหนึ่งทรงชี้พระเดชนีลงไปที่แผ่นดินบอกว่าเธอทั้งหลาย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 ตายลงแล้วจะไปเกิดภูมิไหนก็ไม่มีเครื่องหมายให้รู้ให้มองเห็นล่วงหน้าบางคนเห็นกันอยู่ดีๆตายปุ๊บไปเกิดในนรกบางคนเห็นกันอยู่ดีๆตายปุ๊บไปเกิดเป็นสัตว์อย่างพระรูปหนึ่งเนี่ยพี่สาวจีวรมาถวายหลวงจีวรยังไม่ทันยังไม่ทันทนุ่งชีวรถ่มจีวรตายเป็นพระตายก็น่าจะไปเกิดสุขติปรากฏว่าตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นตัวอะไรตัวเลนอยู่ที่จีวร เจ็ดวันเนี่ยสัตว์ชนิดนี้อายุสั้นพอพ้นเจ็ดวันพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เอาจีวันไปแบ่งกันใช้แต่เจ็ดวันนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเธอมาเกิดเป็นเลนเพราะอะไรด้วยความห่วงของพระนางมาลิกาอาครามะเหสีของพระเจ้าปรเซนที่โกศลเคยร่วมทําบุญยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะมีคนทาเช่นนี้ได้เพียงหนึ่งเจ้าภาคเท่านั้น คือถาวายอาสาี่สถานทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนร่วมกับพ ร, ระเจ้าเปอร์เซนต์ที่กสุลท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าพอสิ้นพระชนแล้วถ้านางมันลิกาคนแสนดีคนนี้ไปตกนรกอยู่เจวันทําไมละ่ะ ท, ทําดีจึงต้องตกนรกละ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าคนที่เรารักคนที่เราอยู่เราเห็นตามตามว่าเป็นคนดีแสนดี เป็นคนร้ายแสนร้ายตายแล้วจะได้เกิดในภบไหนภูมิไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันพิจารณาอย่างนี้แล้วเน่จะได้เกิดมรณสติมองเห็นความตายว่าใกล้ตัวหลือเกินต่อไปความตายเราพิจารณาโดยมองว่ามันมีกำหนดระยะกาลคือมนุษย์ต้องตายภายในร้อยปีเกินจากนี้ก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่า น, นี้แต่ว่าตายแน่ๆภายในขอบเขตนี้ ต่อไปประการสุดท้ายพิยจรนารณาโดยมองเห็นว่าชีวิตมีขณะเล็กน้อยขณะที่ชีวิตดำรงอยู่นั้นแสนสั้นชั่วลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือเดียวท่านบอกว่าแท้ที่จริงเรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะจิตเดียวนะั้นในทางพระิธรรมหรือในทางปรมัาพูดอย่างชั้นสูงสุดนี้เมื่อจิตของเราเกิดขึ้นมาดวงหนึ่งนับนั่นคือเรามีชีวิตและพอจิตดับลงปุ๊บ เราตายทันทีอันนี้แหละคือการเกิดตายชั่วขณะจิตเดียวเมื่อจิตเกิดขึ้นเรามีชีวิตเมื่อจิตดับเราตายเกิดดับเกิดดับวันนึหนึ่งเราเกิดดับกี่ครั้งกี่หนเกิดตายกันกี่ครั้งกี่หนให้พิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็น้อมมาสอนตนว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็กำลังตายกำลังเกิดกันอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิต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 และประการที่สี่เป็นบาดฐานแห่งภาวนาชั้นสูงการเจริญมรรณสติเป็นบาดฐานแห่งการเจริญภาวนาชั้นสูงถึงขั้นบรรลุนิพพานได้เพราะอะไรเมื่อจิตสงบจิตสงบก็สามารถบำเพ็ญต่อไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นได้และประการสุดท้ายถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรผลนิพพานในปัจจุบันชาติคนที่เจริญมรณสติอยู่เสมอนี้ไม่เกิดในทุกติทุกติคืออะไร คือกำเนิดจากเดรัชานเพรศอสุรกายสัตว์รกจเจริญมรณสติอยู่เสมอวันละครั้งก็ยังดีรับประกันพบหน้าได้เลยว่าไม่ไปเกิดในทุคติแต่จะเกิดในสุคติคือเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นอันนี้คือภาลานิสงหรือคุณประโยชน์ของการจเจริญมรณสติในพระพุทธศาสนา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 สี่เป็นบาฐานแห่งภาวนาชั้นสูงและ5ไม่ไปเกิดในทุกขติหลังจากล่วงรับดับขันไปแล้วที่บรรยายมาทั้งหมดก็คือสาระสำคัญของทุติยมรณสติสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่สองอาตามาภาพหวังเบ็นอย่างยิ่งว่าที่บรรยายมาทั้งหมดนี้คงจะเป็นประที่นาทางให้ท่านทั้งหลาย ได้นําไปพินิษพิจารณาแล้วภาคเพียรเรียนรู้ที่จะเจริญมรณสติเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นต่ อ, ตอไปในท้ายที่สุดแห่งธรรมกถาวันนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตบาเดชพละวะปัจจัยปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ประกอบไปด้วยเจตุรตพิทพนคืออายุวันแนะสุขภละต่อแต่นั้นหากปรารถนาหรือทําสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยทำแล้วไซใส ขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังมโนรถทุกสิ่งทุกประการเธอ